โดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ําโขงของประเทศลาวบ้างข้ามมาฝั่งไทยเราบ้างและเที่ยวบําเพ็ญอยู่แถบอําเภอบึงการอําเภอโพนพิสัยซึ่งมีป่ามีเขามากที่นั้นเรียกว่าดงม่อทองและมีทําเลเหมาะกับการบําเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งใหม่อยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาเอารัธนาท่านให้อยู่จําพรรษาเพื่อโปรดเขาซึ่งเป็นสถานที่ศพกับอัธยาศัย ท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบาเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอำเภอโพนพิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลิน ร, รื่นเรงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ป่าไก่ฟ้านกน า, น, านาชนิดมีนกเงือกนกยุงเป็นต้นและแม่นอีเห็นอีแก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีหมาป่าเสือโคร่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิด มีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝุงฝูงโขลงโคลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนันปา่าตามวาระของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบินทบาดก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าท่านไป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 เราเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปเสียแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันนี้ประจำอยู่เสมอในที่บำเพ็ญ น, นั้นๆจึงไม่นึกกลัวคืนวันหนึ่งท่านกําลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษาด้วยกันราวสามสี่องค์ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตั ว, ตวหลพลาดกรอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้าง บริเวณที่พักแห่งละตัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามขู่เข้นกันบ้างเสียงกัดกันบ้างแล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข้นและกัดกันขึ้นอีกข้างข้างที่พักนั่นแหละทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พักนึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณสามทุ่ม ก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ทุนบันศาลาเล็กๆที่พระกำลังนั่งสมาธิปังการอบรมธรรมะอยู่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคำรามและกัดกันอยู่ใต้ทุนศาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะโกนบอกว่าเอ้ย hey, สามสหายอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิราท่านกำลังเทศและฟังธรรมกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมชิบหายกันหมดนะจะว่าไม่บอก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 ซุบซิบอูอีบเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรองคาร์ะร้องบอกมานั่นไงละ่ะทำเสียงบเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาคี้กลา ข, ขึ้นหัวเบาไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงครุนกลางขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเมาใต้ถุนบนารรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจนสองยามคือหกทุ่ม จึงพากันหนีไปพระนั่งสมาธิภาวนากันบนศาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมะแล้วเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ส่งเสียงขู่เข็งคำรามและกัดกันอยู่ใต้ทุนศาลาจนถึงหกทุ่มจึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวทุดงคกรรมฐ า, านมาหลายปี และเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหนตำบนหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาติสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเองตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชตาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทาให้คนขยับครั่งคล้ามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นๆแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคน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 ไม่ก้าวกายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงบ่ๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกรากันไปนับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้นก็คือทําเลเที่ยวของสัตว์จำพวกนี้และสัตว์อื่นๆเราดีๆนี่เองไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจาพวกใดจาพวกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั่น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างขวางมากคนเดินผ่านเป็นวันๆก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมากพวกช้างเป็นโคลงโลงหมูป่าเป็นฝูงฝูงซึ่งแต่ละโคลงละฝูงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนัก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 เพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนอยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อธรรมะความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัยอาหารบิณฑบาตให้มากนักอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียรยาแก้ไขก็ถือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนา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 ไม่มีการปลีกแหวไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาดที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับธรรมะเป็นเครื่องฉโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิษย์ต ถ, ถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจ ราธุดวงกักรรมฐานที่มุ่งต่อธรรมะท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทนความลำบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีธรรมะเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้างแต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่ากรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อน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 ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระธุดองสายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระลงแฝงมาเสมอเสมอตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมะอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมะแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่สัตว์ทุกๆจําพวกไม่จําเป็นต้องทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตาม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 โดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเข้าเลยเพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่กันยิ่งกว่าอำนาจราชศักใดใดซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันขึ้นยอมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ยอมสแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัด สัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระทุดงเพราะธรรมะคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณการมาถึงปัจจุบันเพราะไปทํำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้น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 จึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อยร้0ยเอร์เซ็นต์ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวักละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรอะไรก็แบบเดียวกันเสียสิน้น